นะก็ได้ทำได้ทำปิิวัดในการเจตมนตนไหว้พราแล้วก็ทําทําเป็นสิ่งที่จะได้ถึงการเริ่มต้นชีวิตของเราในทางที่สวยงามเหมือนยามเช้าพ้าทิตย์โผลขึ้นมานะก็ให้แสงสว่างแก่โลกใบนี้ที่จริงพระาทิตเขาก็ทำหนะ้าที่ให้แสงสว่าง เปลี่ยนไปตามมุมโรคต่างๆนะตลอดเวลาแหละพอที่เขาต้องให้แสงสว่างที่4ชั่วโมงนั่นแหละแต่บางทีเราก็มีช่วงที่มืดว่าพอเช้าก็แสงสว่างก็โผล่ขึ้นมาใหม่เหมือนกับตอบสว่างสนะไหวที่ให้ชีวิตแก่กับประสาททั้งหลายที่จริงปัญญานะปัญญา หรื อ, อยานปัญญาหรือว่าความรู้ตื่นเบิกบานนะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละตนะีตยนแต่ว่าบางช่วงโลคใบนี้ก็ดีมันก็มืดจากแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนกับบางช่วงที่โลคใบนี้มันมืดเพราะมันไฟพิษมันอยู่ในด้านนึงของโรคก็อยู่ในด้านหนึ่งของประเทศเราก็แค่นั้น จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะบางทีบางทีมันมีความหลงบ้าง ม, มีความทุกข์บ้างก็บางทีเราลืมที่จะหันกลับมาหาความสว่างสวัยหรือหาปัญญาที่มันมีอยู่แล้วในใจิตใจของเรามันเหมือนกับเหรียญ ส, สองด้านนะนะแค่พลิกอีกด้านหนึ่งนะพลิกจากด้านที่เป็นทุกข์กลายเป็นด้านที่ไม่ทุกข์ก็สามารถทําได้ มันง่ายนะมันไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเหตุปัจจัยอื่นเพียงแต่ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้นะมันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องไปอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยเรานะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงแล้วต้อง ตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงจริงๆพราะพระเจ้าเจ้าเป็นได้แต่เพียงผู้ที่บอกหรือว่าชี้หรือว่าสอนให้แนวทางแก่เราเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่ต้องฝึกหัดต้องเป็นผู้ที่จะทำํำต้องเป็นผู้ที่เดินทางต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้จนัเข้าใจด้วยตัวขอ ง, ของเราเอง มันเป็นสิ่งที่ทําได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็ดีภูไบจัจาร์ก็ดีมิตรสารยานมิตรต่างๆก็ทําได้จะเพียงเป็นเป็นกําลังใจบ้างเป็นผู้ชี้แนวทางบ้างแต่การฝึกหัดเรียนรู้ต้องเป็นเรื่องที่ตัวของเราเองการมาเรียนรู้นะการมาเรียนรู้เพื่อออกจากความทุกข์ก็พิจารณาว่าการากลับมาเรียนรู้ดูกลับมาดูกายดูใจของเราเนี่ยแหละนะ ดูกายแล้วก็มาเห็นใจนะดูกายเคลื่อนไหวมันจะเห็นจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งนะเนื่อรู้ทันจิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งเมื่อนั้นสภาวะทำมันก็จะกลับมาเป็นธรรมชาติเป็นปกตนะิมันก็จะหยุดการปรุงแต่งไดนะ้ถ้าเราเพียงแค่รู้กายเคลื่อนไหวมันจะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นไม่วอกแวกออกไปที่ไหนหรือวอกแวกออกไป เมื่ออาการขอจิตมันเคลื่อนไหวไปติที่มันคอเคลียในการรู้กายติที่มันเห็นกาย่ยบ่อยๆมันก็จะเข้าไปเห็นรู้ทันกระบวนการที่จิตมันไปคิดมันไปหนีหนีออกไปแล้วนะมันก็จะรู้ออกไปได้เร็วมากนะเมื่อจิตมันหนีออกไปติมันรู้ทันมันก็หนีออกไปได้ไม่ไกลเหมือนกับคล้ายๆถ้ามีโจรมาขโมยของที่บ้านเรา เมื่อมันมาขโมยของแล้วเจ้าของบ้านรู้รู้ตัวได้เร็วนะมันก็ตามไล่โจรได้เร็วนะแต่ที่จริงมันเรียบคล้ายเหมือนแบบมุสตะโจรมาขโมยของถ้าเราแค่เปิดไฟถ้าเขาถ้าเราเพียงแค่ทําเป็นรู้ตัวแล้วว่ า, ามีคนเข้ามาในบ้านโจรมันก็หนีไปเองนะนะแต่โจรภายนอกมันอาจจะอาจจะดือ้ออาจจะต่อสู้บ้าง แต่โจรภายในใจของเรานะักกิเลสปัญหานี่มันไม่ได้ลื่อขนาดนั้นหรอกมันเพียงแต่ว่าแค่เรารู้ทันมันนะมันก็หนีออกไปทันทีแต่บางทีเมื่อเราเผลอเมื่อไหร่มันก็แอบเข้ามาย่อมใหม่กิเลสนะดังนั้นกิเลสกับตัวรู้นะมันก็เลยมันเหมือนรู้สึกว่าสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลง นะมันคอยเรียกว่าคอยหาจังหวะที่เราขาดสตินะเมื่อเราขาดสติเมื่อใดกิเลสมันก็ย่อมเข้ามาเรียกว่านอนเมืองในใจิตใจทันทีเลยนะเพียงแค่ขาดสติแป๊บหนึ่งกิเลสก็เข้ามานอนเนืองในใจิตใจแต่เมื่อมีสติเมื่อใดนะความสว่างสวัยความรู้ก็ตื่นขึ้นมาเช่นเดียวกันเหมือนกับความมืดนะ ความมืดเมื่อส่องไฟฉายเมื่อมีไฟส่องเข้ามานะความมืดก็หายไปทันทีความสว่างก็เข้ามาแทนที่แต่เมื่อปิดไฟฉายเมื่อดับไฟความมืดก็เข้ามาแทนเหมือนเช่นเดียวกันความมืดความสว่างภายนอกก็เหมือนกับความมืดความสว่างภายในใจของเราเช่นเดียวกันไม่ต่าง ก, กันหน้าที่ของเราก็คือคอหมั่นมั่นที่จะทําให้ มันมีความรู้ความสว่างสวัยเข้ามาในจิตใจบ่อยๆนะเพราะเป็นงั้นจิตใจของเรามันจะถูกด้านมืดมาครอบงํำตลอดเวลาด้านมืดในที่นี้ถ้าเป็นด้านมืดที่เรียกว่าเป็นมืดสีดําจริงๆนะมืดสีดําคือกิเลสตัณหานะราคะต่างๆนะโลคโกรดหลงบ้านะมันเป็นด้านมืด แต่ที่จริงมันก็มีด้านมือที่เป็นด้านมืดสีขาวทีนะ่จริงด้านมือสีขาวก็คือเป็นตัวหลงด้านมือสีขาวคือว่าการไปยึดในความดีสำคัญว่าตัวดีสำคัญว่าตัวเก่งสำคัญว่าเราวิเศษสำคัญว่าเรารู้ธรรมะแล้วสำคัญว่าเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราอนนี้มันเป็นการสำคัญต น, นในทางที่ ดีในทางที่วิเศษในทางที่เก่งในการเพิ่มฟุญวานะอัตรานะหรือว่าเกี่การยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอุปทานอย่านงะที่พวกเราได้ดูเมื่อวานนะในการเพิ่มตัวปูของครูนะประกาศก้องไปว่าเราแน่เนะีนะ่ยกนะ็คือเนี่ยมันก็เป็นด้านด้านเมืดสีขาวเึ่นเดียวกันซึ่งเราก็ต้องรู้ให้ทันมันเหมือนกัน ไปเป็นมืดสีดำหรือมืดสีขาวหนะ้าที่ของเราคอยรู้จักมันให้แจ่มแจ้งนะให้กลับมาเห็นเนยว่าอ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอุปทานที่มันสร้างขึ้นมาเท่านั้นเราก็มีสติคอยรู้ทันมันรู้ทันสิ่งต่างๆที่มันแสดงตัวตนในกายในใจนี้นะมันจะแสดงท่าไหนแสดงอาการอย่างไรนะก็ดูมันนะ หน้ที่ของเราเพียงแค่ดูแค่รู้แค่ศึกษาเขาอย่างที่เขาเป็นนะเรามาปฏิบัติธรรมเราคล้ายๆเหมือนเราเป็นผู้สังเกตการสังเกตดูการทํางานของกายและสังเกตดูการทํางานของใจนะสังเกตดูการทํางานของกายก็ไม่ใช่ไปลงรายละเอียดไปดูเหมือนที่ทางการแพทย์เขาวิธีไขเขาเอสเตเรเขาตรวจดูการทํางานของกายว่า กายวิวัฒน์ตางๆ ม, ม, มันคิดปกติหรือว่าปกติดีหรือเปล่าไม่ใช่ไปสังเกตขนาด น, นั้นน่ะเราสังเกตให้เห็นดูว่าธรรมชาติของกายหรือว่ารูปนี้มันเป็นเช่นอะไรนะดูการเคลื่อนไหวของรูปดูการหยุดนิ่งของรูปจนกรทั่งเห็นสิ่งที่มันอยู่ในรูปนี้นสิ่งที่มันอยู่ในรูปนี้มันตกอยู่ในกฎของความที่มันเป็นทุกข์นะ มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นี่คือความเป็นทุกข์นะทุกข์ไม่ใช่ว่าจะต้องรอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ารอตายเท่านั้นแต่ทุกข์คือสภาวะที่เรียกว่ามันคนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มันมีความขัดแย้งอยู่ภายในของมันเองนะนี่คือความเป็นทุกข์ที่มันมีอยู่แล้วเพื่อมันขัดแย้งกันมันก็เลยทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะ รูปถ้ามันไม่ทุกข์มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากรูปมันมีความเป็นทุกข์อยู่ในนั้นมันเลยต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของการของการที่มันทนไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปของมันมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่เปลี่ยนไปอย่างที่ใจเราต้องการแต่มันเปลี่ยนเพราะมันมีเหตุเป็นอย่างนี้นะเหตุเพราะนั่งนานมันก็เลยต้องทุกข์เพราะความปวดขาเพราะความ สัมผัสที่มันนานเกินไปมันก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอันเนี้ยมันก็เป็นธรรมดาถ้ามีแดดมานระทบสัมผัสนะมันก็ต้องคลุกเพรความร้อนนะมันก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนจากความร้อนกลาเป็นความเย็นกลายเป็นความสดชื่นขึ้ น, นมาบ้างเป็นธรรมดาอันเนี้ยคือเราให้เห็นกายในกายนี้นะเห็นลงไป ให้ถึงของสดใตรักคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนบังคับเป็นชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเราดูรูปนะบางทีเราจะเห็นแค่กายที่เคลื่อนไหวแค่เดินแค่ยกมือแค่ลมหายใจต่างๆทาไมดูไปแล้วบางคนฝึกมาหลายปีแต่ทําไมจิตใจไม่ปล่อยวางไม่ยอมรับความจริงไม่เิดปัญญาเพราะว่ามันยังไม่เห็นรูปนี้อ่า ตามกฎของใจรัก์อย่างแท้จริงนะมันยังเห็นรูปยังเห็นรูปนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างนะเดี๋ยวก็เห็นรูปนี้เดี forum, ๋ยวก็บังคับได้บังคับไม่ได้บ้างนะเดี๋ยวก็เห็นรูปนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างนะมันก็ยังเห็นเป็นสองลักษณะอยู่นะยังเห็นตั้งความเที่ยงความไม่เที่ยงเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งบังคับได้เห็นทั้งบังคับไม่ได้ มันยังเห็นเป็นสองขั้วอยู่แต่ต่อเมื่อถ้าเราเห็นเห็นรูปนี้มันอยู่ในขั้วเดียวอยู่ในด้านเดียวเท่านั้นอยู่ในกฎเดียวเท่านั้นไม่มีสองมาตรฐานนะไม่มีสองมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นกตกอยู่ในกฎของไตรรักษ์มาตรฐานเดียวเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าบางขนาดบางขนาดอาจจะทุกมากบ้างอาจจะทุกน้อยบ้างนะเรื่องของลูกนะทุกมากบ้างทุกน้อยบ้าง น, นะ บางครั้งมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบ้างหรือเปลี่ยนอย่างช้าๆเปลี่ยนอย่างมากเปลี่ยนอย่างน้อยบ้างเป็นธรรมดาบางครั้งก็รู้สึกถึงความชัดเจนของการที่มันเปลี่ยนไปของมันเองตามเหตุตามปัจจัยนะบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่ชัดแต่ก็รู้สึกไปแนวนั้นเช่นเดียวกัน น, ะนี่มันจะเป็นไปตามมาตรฐานเป็นกฎอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะถ้าเราเห็นรูปอย่างแจนแจ้ง มันจะมีแต่ไปกวดนี้เท่านั้นนะแต่จะเห็นชัดเห็นไม่ชัดรู้แบบลึกซึ้งหรือรู้แบบไม่นึกซึ้งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็แล้วแต่สติกําลังของสติแล้วก็กําลังของปัญญาที่มันจะเข้าไปเห็นสภาวะธรรมของรูปตามความเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนแต่มันจะเห็นตรงนี้แหละนะถ้าเราดูรูปอย่างแจ่มแจ้งเห็นกายในกายนี้นะเห็นรูปนะอยู่เป็นประจํานะ มันจะถอนความพอใจและความไม่พอใจในรูปนี้ออกเสียไดนะ้ความพอใจในความสวยในความงามในความหนุ่มในความสาวนะในความแข็งแรงในความยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้นะมันจะถอนออกไปได้เลยมันจะเห็นว่ารูปนี้มันก็เป็นเพียงแค่ธาตเพียงแค่ถันเป็นเพียงแค่อาการ <S <S เป็นเพียงแค่การดำรงอยู่ของชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้อยากจะสาคัญว่า ถ้าเราสวยถ้าเราสาวอยู่ถ้าเราหนุ่มอยู่มันก็ไม่ได้ไปหลงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปนะตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่เมื่อมันอ่อนแอขึ้นมาเมื่มันมีโรคมีภัยมันก็เข้าใจอ้อมันเป็นเพราะเหตุเพราะอะไรเนาะมันถึงต้องทุกข์เป็นโรคเป็นภัยด้วยมันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็ไม่ไดปยึดมั่นสาคัญหมายว่ามันต้องดีตลอดเวลาก็ไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เราก็ยอมรับความจริงได้เช่นเดียวกั น, นเนี่ยเรามาเห็นรูปเพียงข้างมันเห็นมันเห็นอันนี้ยมันจะเกิดการยอมรับความจริงเห็นเลยการเปลี่ยนแปลงไปการไสผ่านไปของรูปนี้มันมีตลอดเวลามีตลอดเวลาเมื่อไม่เห็นกับนี้ป่อยจิตใจมันก็เรียกว่ามันมันคลายมันปล่อยวางในการยึดมั่นถรือมั่นในรูปนี้เพราะว่ามันจะยอมรับเลยว่า รูนี้มันตกอยู่ในกฎของธรรมชาติกฎตกอยู่ในกฎวามใจรักนี่เองหน้าที่เราเพียงแค่เรียกว่าอาศัยรูปอาศัยรูปนี้นะเพื่อ ด, ดํารงภาคผันอยู่ได้เท่านั้นเองเพื่อดํำรงอยู่ในการใช้ให้ให้รูปนี้เกิดประโยชน์ถึงคนดก็คแค่นั้นนะมันรู้เลยว่ารูปนี้เป็นของชั่วคราวจริงๆทักวันหนึ่งมันต้องจากไปนะต้องภาคผันไป ข้อความนั้นแต่เราจะใช้ของข้อความนี้ในทางที่เกิดประโยชน์ขนาดไหนเนะี่ยมันจะตระหนักมันจะตระหนักในรูปนี้ตระหนักในการใช้เวลาบนโลกใบนี้อย่างมากมายเลยนะมันจะตระหนักเลยว่าเวลามันมีสั้นมากรูปนี้มันก็สั้นมากไม่รู้มันจะแตกดับไปเมื่อไรไม่รู้มันจะสลายกลับไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟเมื่อไร รู้วิญญาณหือจิตใจทีจ่จะแยกจากประารนี้ไปเมื่อไรนะั้มันจะตระหนักถึงการเวลาหรืการเปลี่ยนแปลงนี้ตลอดเวลานคะรับเมื่อเราตระหนักชั้นขึ้นเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะเดินในทางที่ไม่ประมาณมากขึ้นเท่านั้นะจะใช้วันเวลาที่เหลือในการที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาณมีสติใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นมันจะถนอมลูกนี้ไม่ใช้ในทางที่เรียกว่า ถ้าไม่เกิดถ้าไม่เกิดทุกข์เกิดโทษนะกับทั้งกายกับทั้งใจนะมันจะถนอมรูปนี้ในการที่ไม่ไปทไําร้ายคนอื่นที่เขาทุกข์ใจเช่นเดียวกันอะไรที่เป็นความดีมันก็จะพยายามที่จะทําอะไรที่เป็นความเหนือดีขึ้นไปมันก็ยิ่งผลไฝ่ที่จะทําขึ้นไปเช่นเดียวกันในส่วนของนามธรรมก็เช่นเดียวกันนะในส่วนของนามธรรมจะเป็นเวทนา คือความสุขบ้างความทุกข์บ้างหรืออาการเฉยๆบ้างหรือเป็นสภาวะของจิตที่ปกติบ้างสภาวะของจิตที่มีการปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าความคิดก็ดีนะหรือแม้แต่สภาวะทรรอาการต่างๆที่มันสแสดงภายในจิตนี้ก็ตามเนาะมันก็มันเรียกว่ามันก็ตกอยู่ในตรงนี้เช่นเดียวกั น, กนเราดูอาการของจิตมันก็ตก ก็เห็นจิตนี้นะมาตกอยู่ในอดของใจรักเช่นเดียวกันเราสังเกตดูจิตใจของเราก็ได้นะมันมันไม่คงที่นะมันไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนไปตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็เฉยเฉยบ้างไม่มีใครสุขตลอดเวลาไม่มีใครทุกข์ตลอดเวลาไม่มีใครบังคับให้จิตเฉยๆได้ตลอดเวลาหรอกนะมันมีแต่เปลี่ยนไปนะจิตนี้มันเปลี่ยนให้เห็นชัด ยิ่งกว่ารูปด้วยซ้ำนะเพราะมันแสดงตัวตนชัดเจนเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะมันบังคับไม่ได้นะอยากจะให้มันสุขหรอมันก็ไม่สามารถบังคับให้สุขได้ตลอดเวลาหรอกไม่จะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยังมีช่วงที่ลืมความทุกข์ไปบ้างเช่นเดียวกันนะมาแสดงตัวตนที่มันเรียกว่าบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันตกอยู่ในกฎของใจรักเช่นเดียวกันเราดูนามธรรมนะ ดูนะมามธรรมก็ดูให้มันลงอาการของไใจรักเช่นเดียวกันนะค่อยๆดูไปนะแต่ไม่ใช่ไปคิดให้มันเป็นกฎของใจรักนะดูเจนกรั่งมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ในกดอันนี้เช่นเดียวกันนะเราจะดูรูปก็ดีดูนามก็ดีเมื่อมันเห็นตกอยู่ในกฎของใจรักนะมันจะถอนความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะถอนการยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานในรูปในนามนี้ออกเสียได้นะ เมื่อมันอนอุปทานในการยืดมั่นว่านามนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าใจนี้นะหรือบางทีตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าใจนี้มันเป็นของเรามันเป็นพัฒนาการตั้งแต่ไม่รู้อดีตายชาติมาสักขนาดไหนจิต ด, ดวงนี้มันออกจากร่างนั้นไปตายแล้วก็ไปเติมยร่รรรางนั้นอีกมันเหมือนคล้ายๆจิต ด, ดวงนี้มันเป็นของที่เที่ยงตลอดเวลา เป็นของที่เที่ยงแท้ตลอดเวลาถ้าก่อนที่จะมีพุทธศาสนาทางพวกครามเขาก็เชื่อว่าจิตเนี่ยมันเป็นอาตมันมันเป็นมันเป็นจิตดวงเดิมที่มันเพียงแค่เปลี่ยนร่างไปแต่ถ้าฝึกถึงที่สุดมันกลายเป็นอาตมันก็คือจิตดวงนี้เข้าไปสิงสถิตยอยู่กับดินแดงของพระเจ้านะดินแดนของเรียกว่าสิ่งสูงสุดไปนะกลายเป็น ก็ยังมีจิตอยู่เช่นเดียวกันนะแต่พิมแต่ว่ามันไปฝังไปรวมกับสิ่งสูงสุดก็แค่นั้นแต่จริงถ้าเราดูจริงๆนะนะจิตนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่การมันไม่ใช่จิตดวงเดิมตลอดเวลาหรอกนะมันมีจิตรวมใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พิมแต่ว่ามันมีความต่อเนื่องมันมีอาการที่เหมือนคล้ายๆเดิมหรือเกิดขึ้นซ้ำๆบ่อย มีการเกิดขึ้นอย่างขี่ยิบตลอดเวลาจนกระทั่งมันสําคัญว่ามันเป็นมันเป็นดวงเดียวกันนะมันเป็นดวงเดียวกันแต่จริงถ้าสติมันมันคมชัดคอมันแหลมมันแหลมคมคอนะมันก็จะเห็นช่องว่างระหว่างอาการคิดจิตมันไม่ฟุ้งไม่แต่งไม่คิดไม่นึกมันอยู่เป็นปกติของมันก็มีเช่นเดียวกันนะมันก็จะเห็นว่าจิตดวงนี้ จิตนี้มันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะแต่เพียนแต่ว่าเป็นสันตติกที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องสืบต่อกันเท่านั้นมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยตามสภาวะที่จิตมันรู้บ้างตามสภาวะที่จิตมันหลงบ้างเราก็ทําหน้าที่เพียงแค่คอยสังเกตดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนี้นะมันจะเกิดขึ้นเช่นไรก็ดูมันไปดูมันไปด้วยใจที่เป็นกลาง ใจที่เป็นการใจที่ตั้งมั่นตั้งมั่นกับการรู้เฉยๆไม่เข้าไปปรุมต่อกับอารมณ์ต่างๆหรือบางทีอาจจะหลงไปปรุมบ้างก็ให้กลับมารู้ตัวเร็วๆเมื่อรู้ตัวเร็วๆแล้วกิดมันก็จะไม่ไปปรุงยาวมันก็หยุดการปรุงก็แค่นั้นคือเราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปดินน้นรนนะไม่ไปแทรกแซงอยากจะจัดการให้มันดีให้มันคงที่นะ ไม่ไปดิ้นรนที่จะปดลักไสนะไม่ไปดิ้นรนที่จะรักษามันไว้เนะี่ยถ้าใจที่เป็นการใจที่ตั้งมัน่นมันจะรู้ดูเห็นอยู่ต่างหากนะมันจะมีมันจะมีสตินะหรือมีตัวผู้รู้ที่มันคอยถอนตัวออกมาดูทุกอาการเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ที่เฝ้าดูอาการต่างๆที่มันแสดง สแสดงละครบ้างน ะ, สะแสดงอะไรก็ไม่รู้ให้มันดูบ้างเนี่ยตัวที่ดูตัวที่รู้ตัวที่เห็นอาการต่างๆเมื่อมันดูบ่อยๆความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมากขึ้นแล้วจิตตรงนี้มันก็จะค่อยคุ้ทซับความจริงความจริงของรูปบ้างความจริงของนามบ้างเมื่อจิตมันรู้ความจริงยอมรับความจริงมันก็เกิดเป็นการเข้าใจความจริงนะ เมอเกิดเป็นความเข้าใจความจริงมันก็เรียกว่าปล่อยวางในธาตุขันนี้ได้นะปล่อยวางในรูปในน้ำนี้ได้นะปล่อยวางอะไรนะปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นนะมันยังมีรูปยังมีขันอยู่นะมันมีขันห้ามันยังมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังมีอยู่แต่ตัวที่มันปล่อยวางได้ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ การยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของเราการยึดมั่นถือมั่นในรูปของคนอื่นว่าเป็นเขาว่าเป็นของเขามันเห็นเป็นแต่ว่าเป็นสัพพะวะธรรมตามธรรมชาติตอนนั้นนามธรรมก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสำคาญวิญญาณก็เหมือนกันมันรู้แล้วก็มันไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอุปทานการยึดมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวเขาเป็นของเขานะ มันเรียกว่ามันเห็นเพียงแค่เป็นสภาวะธร ร, รมตามธรรมชาติเท่านั้นเพราะเนี้ยสตินะเมื่อสะสมไปเรื่อยมันจะเกิดปัญญาในการเข้าใจตรงนี้แหละนะแต่ปัญญาในการเข้าใจมันก็มีหลายระดับเนาะมันก็เกิดจากการที่ค่อยๆสะสมเข้าใจความจริงไปเรื่อยเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะแล้ก็มีการจบการศึกษาในหลายระดับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอก ไปเรื่อยๆมันก็มีระดับขั้นของการจบการศึกษานะไปเรื่อยๆนะการศึกษาทางโลกเขาแบ่งเป็นแบบไหนการศึกษาทางธรรมก็มีการแบ่งคล้ายๆกันเช่นเดียวกันก น, นะมันมีกระบวนการวิปัสนาญาณขั้งในปริยัติเขาบอกว่า16ขั้นนะหรือบางทีแล้วก็แบ่งเป็นภาพนะโลกุตระธรรมบ้างโลกิยะธรรมบ้างนะ เป็นพระอะไรต่างๆบ้างจนท้ายเป็นพระราหาันบ้างมันก็มีการแบ่งแบ่งตามไหนแบ่งตามกระบวนการรักกิเลสละสับโยชน์ในจิตใจได้มากน้อยเท่าใดอันนี้คือการแบ่งนะแต่เราอาจจะไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดก็ได้นะค่อยๆดูไปไม่ต้องค่อยๆดูไปไม่ต้องไปเทียบเคียงก็ได้นะเมื่อจิตใจมันถึงสภาวะไหนมันก็จะรู้ชัดของมันเองอะไรนะอาจจะไม่ต้องเรียกชื่ออะไรก็ได้ แค่ให้รู้สึกว่าความทุกข uh, yes, ์มันน้อยลงไปความทุกข์มันห่างออกจากายจากใจนี้คือความทุกข si ์มันห่างจากใจนี้มากขึ้นมันยังมีทุกข์อยู่นะแต่มันห่างห่างในสภาวะที่เหมือนมันค่อยๆแยกกันไปทุกข์ก็เป็นแท่เรื่องของรูปเรื่องของนามแต่ไม่มีเราก็เป็นรูปทุกข์นะมันมีแต่รูปกับนามนี้มันทุกข์มันมีแต่รูปกับนามนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมันมีแต่รูปแต่นามนี้ที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่ไม่มีเราเข้าไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าเราทุกข์ว่าเราสุขว่าเราเจ็บว่าเราปวดว่าเราเสียใจว่าเราดีใจว่าเราอะไรต่างๆนะมันจะมันจะความเป็นตัวเรามันจะค่อยๆคายถอนไปเนี่ยมันจะถอนการยึดมั่นถืมั่นในรูปในนามนี้ได้เมื่อเราถอนการยึดมั่นถืมั่นหรือว่ามันจางคายมันคายได้บางครั้งบางคราวมันก็เรียกว่า ความเบาความสบายหรือถ้าภาษาที่พวกเราใช้อาจจะเรียกว่าเป็นความสุขก็ได้นะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ในจิตนี้นะจิตนี้มันก็จะรู้สึกมันมีสุขแต่มันเป็นสุขที่เรียกว่าสุขเพราะว่าเห็นความจริงเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้มันก็จะในชีวิตนี้มันก็จะเป็นชีวิตที่เรียกว่าอยู่อย่างมีสุขมากขึ้นนะสุขเพราะว่ามันไม่ทุกหรือว่าสุขเพราะว่ามันทุกน้อยลงนะ ถึงจะเป็นสุขที่แท้จริงในทางในทางพพุทธศาสนาคือความสุขที่เกิดจากการไม่ทุกขนะ์หรือว่าความสุขที่เกิดจากการเห็นความจริงเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้ทั้ง น, นี้แหละก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีจริงนะมีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพียงแค่อ่านตำหนับตําราแล้วก็มาเล่าบอกต่อกันฟังเท่านั้นนะ เพถ้าเราปฏิบัติจริงนะมันก็จะเห็นผลจริงนะผลตรงนี้ก็ไม่ต้องให้ใครรับรองหรอกนะถ้าเราทําเรื่อยๆแล้วเราก็รับรองตัวของเราเองได้เองแหละนะอาจจะไม่ต้องมาบวชเป็นพระไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ประันตีให้เพาเราบรรลุธรรมขันนั้นกันนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะความจริงมันจะปรากฏขึ้นแก่ใจนี้หลยนะแก่ใจของพวกเราทุกคนเราแดนะ มันจะปรากฏชัดแก่ใจของเราเราจะรู้เองแหละกิเรตตัวไหนรักได้แล้วเกเรตตัวไหนยังรักไม่ได้เกเรตตัวไหนเบาบางลงไปบ้างแล้วเกเรตตัวไหนยังหนาแน่นยังมีอยู่นะมันจะรู้อัตราส่วนของมันนะแต่บางโมงบางครีมก็จะรู้จริงบางทีอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้นะบางทีบางตัวมันรู้สึกว่ามันหมดไปแล้วหูกจากใครไปแล้วแต่จริงบางทีแต่ว่ายังไม่มีอะไรมากระทบสัมผัสให้มันได้แสดงตัวตน ขึ้นมาหรือยังไม่ยังไม่โดนอะไรจังๆให้มันสะเลือนขึ้นมาก็มีเช่นเดียวกันแต่เราก็จะพออนุมาลได้ว่าอะไรที่เราพอจะรู้พอที่จะละพอที่จะคาดมันได้อะไรที่เรียกว่ายังไม่ได้มันก็มีเช่นเดียวกันมันจะค่อยๆพอ อ, อ, ออนุมาลพอประมาณได้ว่าพัฒนาการของจิตใจมันเป็นเช่นไหรความทุกข์มันเบาบางลงไปมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันเป็นผลที่ ถ้าภาษาพระท่านใช้คำว่าเป็นปัจจัตังปัจจตังคือการรู้เข้าใจถนะได้ด้วยตัวขเราเองเท่านั้นนะบางทีไม่มีภาษามาพูดมาบอกคนอื่นหรือบางทีไม่มีภาษามาอธิบายให้ตัวเองฟังได้ทั้งนะมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าเหนือเหนือสมมติเหนือภาษาเหนือเหนือเรียกว่าเหนือเรื่องโลกโครกนะแต่เป็นอาการ ของสภาวะประมัต ธ, ธรรมสภาวะความจริงแท้เท่านั้นถ้าจริงแท้จริงๆมันก็ไม่มีภาษาแต่ถ้าเทียบเทียนภาษามันพูดก็ต้องยืมภาษาทั้งโลกภาษาทางธรรมมาพูดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะนก็ให้พวกเราได้ได้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนะมันสามารถเข้าถึงผลของการปฏิบัติได้จริงๆถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัย ในการที่จะรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะในการที่จะมีสติ ค, คอยตามรู้ตามเห็นกายและใจนี้ตามความเป็นจริงนะปรากฏการณ์ที่กายที่ใจนี้เขาสแดสดงสภาวะธรรมนี่แหละมันจะเป็นครูสอนธรรมะที่ดีที่สุดเลยนะครูสอนธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก็คือกายและใจของเราดีเท่านั้นนะครูภายนอกเพียงแค่ไกล้ไกลบอกแนวทางหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้พวกเราได้รับฟังเท่านั้นแต่ครูที่สอนธรรมะเราได้อย่างแท้จริงคือกายและใจของเราเนี่แหละนะกลับมาดูกายดูใจของเราเนี่แหละนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนมิตรที่ร่วมปฏิบัติด้วยกันนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรแารผมแย่กลมไม่ดีผมไม่มีปัญญาแล้ไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกนะเปรียบเทียบไปก็มีแต่เพิ่มความทุกข์ใจ ือบางทีเปรียบเทียบไปก็มีแต่ความลำพองขยอยใจตัวเองก็มีนะมันเปรียบเทียบว่าตัวเองดังกว่าเขาเปรียบเทียบตัวเองดีกว่าเขาหรือเปรียบเทียบว่าตัวเองเสมอเขานะก็มันก็ยังมีเรายังมีเขาอยู่นะเลิกการเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับนะก็เลิกเลิกไปเลยนะพยายามกลับมาดูใจของเราแค่ไขใจตัวเองนะศึกษาไปเรื่อยๆนะ ก็จะมีแต่การพัฒนาตัวเองนะไม่ได้ไปแข่งขันกับใครทั้งนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เพอไปแข่งขันเพอไปเปรียบเทียบก็คอยรู้ทันมันนะมันลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ทันมันนะรู้ทันการเปรียบเทียบรู้ทันการสําคัญหมายรู้ทันมานะอัตราที่ พ, อพ่อคูณที่สะสมหรือที่ไปยึดนะก็แค่หน้าที่เราก็แค่รู้ทันนะละได้บ็ละละไม่ได้ก็รู้ว่ายังละไม่ได้นะก็ การศึกษาธับมะกมารศึกษาที่กายที่ใจของเรานะศึกษาดงตามาประเพณีเลยนะไม่ต้องปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นลองดูสิลองวางใจตรงกลางวางใจแบบตั้งมั่นดูแบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียดูแบบไม่ใช่เราทุขไม่ใช่เราทุกข์ดูแบบไม่ใช่เราดีเราไม่ดีดูมันแสดงอาการต่างๆดูเขา ดูเขาสแสดงนะดูเขาสแสดงดูกิเลสปัญหาเขาสแสดงดูอาการทุกข์อาการทุกข์เขาสแสดงนะดะูเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมันเป็นเช่นไรนะเหตุนี้เกิดขึ้นมันส่งผลเช่นไรนะมันก็ดูมันก็จะเกิดปัญญาในะในการเหตุตอนจริงเนะี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราทุกคนสามารถทําได้นะเพอย่างพวกเราได้ใช้วันเวลานะในการ ทำสิ่งนี้ให้มากที่สุดการงานภายนอกก็ขอให้เป็นเป็นงานที่รองลองไปแล้วกันนะเป็นงานที่เพียงแค่ว่าให้มัน ด, ดนานะําร ง, ง, งสถานะทางสังคมสังรมสถานะในการที่จะหาปัจจัย4หรือปัจจัยเกิดภายนอกได้แค่นั้นเนาะอย่าไปอย่าไปมุ่งมั่นสําคัญความสําเร็จภายนอกมากมายเนาะความสำเร็จภายนอกจะมากมายขนาดไหนก็ใครไปได้หรือไมนะ่ยอมเนาะ จะปัญญาเอกไฟก็ตายไฟก็เขาก็แค่จารึไว้ในหนังสืนะจะเป็นศาสตราจารย์จะเป็นคนที่มีเกียรติคุณขนาดไหนนะมันก็ดีเช่นเดียวกันแหละแต่มันก็เอาไปไม่ได้นะความรู้ภายนอกเอาไปไม่ได้หรอกนะแต่ความรู้ทางธรรมนะมันก็มันจะเอาไปได้หรือไม่ได้ก็เป็นก็ไม่รู้หรอกนะแต่มันใช้ได้สักทีนะความรู้ทางธรรมเนี่ยมันใช้ได้ ความรู้ทางโลกภายนอกมันต้องมีสถานะสังคมมันต้องมีคนรับรองมันต้องมีอะไรตา่ตางๆ ม, มากมายมีเหตุปัจจัยหนึ่งสองสามสมัถึงเอามาใช้ได้แต่ความรู้ทางธรรมเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลาเอามาใช้ที่จะแก้ทุกเอามาใช้ที่จะดับทุกเอามาใช้ที่จะค้นทุกใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะถ้าเรามีความรู้ทางธรรมเนี่ยจะอยู่กับโลมนี้แล้วก็เอาปัญญาในการที่รู้ โรคนี้ตามความเป็นจริงนะโร ค, คือกายคิดใจนี่แหละตามความเป็นจริงมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ในโรคนี้ทั้งโรคที่เป็นสร้างกายจิตใจของเราเองก็ดีหรือโรคที่เป็นดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ดีนะมันก็อยู่กับมันได้อยู่กับคนอื่นก็ได้อยู่กับสังคมไหนก็ได้นะมันจะไม่กลัวมันจะไม่เอยากช น, นี้สังคมอะไรหรอกนะ มันก็รู้ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมขนาดไหนเกี่ยวข้องกับผู้คนขนาดไหนเกี่ยวข้องกับการงานขนาดไหนนะมันถึงจะทําให้สภาวะหรือว่าความรู้สึกตัวมันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็มันก็จะจัดสังเหตุปัจจัยของมันเองเนาะอับเนี้ยมันเป็นเรื่องของสติแล้วก็ปัญญาที่ค่อยๆสะสมค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ของชีวิตเรานักก่สอนพวกเราได้เชื่อมั่นในในการ ปฏิบัติธรรมมันเกิดผลได้จริงแม้จะเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนก็ขอให้ลองลองเรียนรู้ไปก่อนแล้วกันนะบางทีความคิดนะมันไม่สามารถทําให้เกิดความเข้าใจได้ทุกอย่างหรอกเหมือนกับเร า, าไม่เคยทานผลไม้สักอย่างเราจะคิดว่ารสชาติมันเป็นเช่นใดนะเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรมันไม่สามารถคิดได้ แม้มีคนที่เคยทานแล้วก็าบอกว่ารชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่การทานเองการสันฝั่งเองเนี่มันเหนือกับคําอธิบายจริงจริงนะดังนั้นธรรมะก็เหมือนกันธรรมะจะคิดให้เข้าใจจะเรียกว่ารองจะพยายามหาเหตุหาผลจนถ้ า, าเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทําเนี่ยมันคล้ายๆมันตั้งคําถามไม่ผิดมันตั้งคาถามไม่ผิดมันตั้งแนวทางในการสแสวงหาความจริงไม่ผิด เมื่อตั้งไว้ผิดแล้วมันก็ไม่ได้ดคําตอบที่แก้จริงเหมือนเราเราตั้งสมมุติฐานในการวิจัยอะไรสักอย่างอ่ะเมื่อเราตั้งสมมุติฐานผิดนะการวิจัยนั้นจะพยายามขนาดไหนนะมันก็ล้มเหลวนะแต่ความล้มเหลวบางทีถ้าเราเอาความล้มเหลวนะั้นเอาความผิดนั้นเป็นครูมันก็จะทําให้เราตั้งสมมติฐานใหม่ทําการวิจัยใหม่เปลี่ยนสมมุติฐานใหม่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราลองดูถ้าเราจะตั้ง สมมติฐานในการจะใช้ชีวิตในการที่จะคิดเข้าใจทุกอย่างมันเป็นไปไม่ไม่รูนะกระลองดูมันจะถูกมันจะผิดก็ลองดูก็ได้นะแต่ถ้าปัญญาที่ทางพุทธศาสนาที่ท่านบอกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาลงลงมือทําดูลองเรียนรู้ดูในกายในใจดูนะศึกษาดูนะมันจะเกิดความเข้าใจจริงหรือเปล่านะก็อยากให้พวกเราได้ลองลอง ตั้งสมมติติฐานในการที่ทำให้เกิดปัญญาตรง น, นี้ดูแล้วก็ลอง้องใช้เว็บบันเวลาในการที่จะหาคำตอบอจากการเฝ้าดูกายเฝ้าดูใจดูนะเฝ้าดูยังไม่มีเคลืน่นได้ส่วเสียมันจะเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นนะักก็ลองดูนะัก ล, นะลองศึกษาดูนะคงพอสมนควรเกเวลานะัการ